บทที่19กาเมสุมิชาจารย์เสร็จจากการรับประทานอาหารลูกชายคนที่สองของด็อกเตอร์กริตก็หาวอดวอดพระเจริญจึงให้เนนตุย้ยพาไปนอนในห้องเด็กชายสัมฤทธิ์ซึ่งเจ้าของห้องไปเล่นอยู่กับเด็กฟ้าแฝด ท, ที่สำนักชีไปคุยข้างบนดีกว่าจะได้ไม่มีใครมารบกวนขืนอยู่ข้างล่าง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 บุรุษวัย31สอสนองขณะเดินตามท่านขึ้นไปยังชั้นบนเมื่อขึ้นมานั่งกันเป็นที่เรียบร้อยสมพานวัย30สจึงพูดขึ้นว่าไม่ได้เจอกันตั้งสิบกว่าปีคราวที่แล้วยังไม่ทันคุยก็รีบกลับเสียก่อนน้ำเสียงบ่งบอกว่าประชดประชันครับผมไม่มีเวลาจริงๆ ตั้งแต่จบด็อเตอร์มาทำงานงอกงกงกความจนหนักครับท่านเดี๋ยวนี้ค่อ ย, ยังชั่วขึ้นคุณพิมพาเขาฐานะดีมีอันจะกินผมก็เลยไม่ลำบากมากเหมือนแต่ก่อนสมบัติตกทอดนะคะท่านบันพรพบบุรุษหาไว้ให้ดิฉันก็เลยไม่ต้องลำบากภรรยาด็อกเตอร์กริกราบเรียนคนรุ่นเก่าเขามองการไกลนะ อุสาหอด อ, อมเก็บหอมรอมริบไว้ให้ลูกกลานเหมือนโยมยายอาตมาตรนีทีเหนียวหาตัวจับยากคนบางม่วงหมู่เขารู้ดีว่ายายจางนะ่ะขี้เหนียวชมัดเลยอาตมาของเงินซื้อชุดลูกเสือขอร้อยหนึ่งโยมยายให้สิบบาทก็เลยต้องใช้วิธีขโมย ท่านพูดยิ้มยิ้มขโมยไปเท่าไรครับคนเป็นเพื่อนเก่าถามอย่างรู้ทันคนเป็นพระจึงตอบไปตามตรงว่าร5อยห้าสิบแม้มันก็ต้องเอากำไรกันบ้างสิอีกอย่างหนึง่งก็ใช่ว่ายมยายากจนข้นแค้นมีเงินเป็นหาหายรวยที่สุดในตำบลก็ว่าได้ท่านรู้สึกมีความสุข เมื่อได้พูดถึงบุพการีที่แสนรักและเคารพโยมยายท่านยังอยู่หรอคะสตรีชื่อพิมพาถามเสียแล้วลใจโยมเสียไปเมื่อก่อนหน้าที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้ไม่นานอายุตั้ง9กาขาดอีกไม่กี่วันก็ครบร้อยอาตมาเคยพูดลเล่นๆกับโยมยายว่าให้อยู่จนถึงร้อยกับหนึ่งปี ไม่ยักกระทำตามสัญญาก็ท่านพูดเล่นๆนี่ครับถ้าพูดจริงโยมยายอาจจะตามสัญญาก็ได้คนเป็นด็อกเตอร์พูดยิ้มยิ้มนั่นสินะเอาละโยมด็อกเตอร์เล่าเรื่องที่ไปเรียนประเทศฝรั่งเศสให้อัตมาฟังบ้างอัตมาอยากรู้ครับผมจะเล่าถวายแล้วบุรุษวัยส1อดจึงเล่าว่า เพราะเงินห้าช่างที่ท่านกรุณาให้แก่ผมผมจึงมีทุนไปเรียนต่อคือพอจบมัธยมสามผมก็ไปอาศัยอยู่กับญาติห่างๆที่บางกอกญาติคนนี้ก็ทำงานเป็นแม่บ้านทูตในเวลาต่อมาทูตส่งไปประจำที่ประเทศฝรั่งเศสจึงชวนญาติผมไปเพราะรัฐบาลยอมจ่ายเงินเดือนให้แม่บ้านด้วยทูตคนนี้ก็มีภรรยา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 ซึ่งเขาเรียนไฮสคูลพอจบก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยปารีสได้สองปีทูตก็หมดวาระต้องกลับเมืองไทยญาติผมก็ต้องกลับด้วยผมก็ตกที่นั่งลำบากเพราะขาดคนอุปการะแต่ในที่สุดทูตเขาก็ช่วยฝากฝังผมกับคนที่มาใหม่ผมก็เลยเรียนจบปริญญาตรีได้โดยไม่ลำบากนัก พอจบตรีก็ต่อโทอีกสองปีเมื่อทูตคนที่สองอยู่ครบวาระก็ต้องกลับเมืองไทยแต่คราวนี้ผมไม่เดือดร้อนเพราะจบปริญญาโทแล้วผมก็หางานทําแล้วก็เก็บเงินไว้เพื่อเรียนต่อปริญญาเอกได้เงินพอสมควรแล้วผมก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเวลาผ่านไปอีกสี่ปีผมก็จบปริญญาเอก รวมเวลาใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสถึง12ปีกลับมาผมก็ได้งานทำและก็ได้แต่งงานกับคุณพิมพาอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในละครับโยมพิมพาอาตมาถามจริงๆเธอโยมออกขาวแล้วก็สวยไงายมาแต่งงานกับคนตัวดำๆดังด็อกเตอร์กริบล่ะท่านเย้าภรรยาเพื่อนเก่าสตรีผิวขาวรู้สึกเขิน จึงตอบ อ, อมแอมว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคงจะเป็นบุเพสันิวาตท่านไม่รู้อะไรผมนะ่ะดำแต่นอกในแพ่วผ่องเนื้อนพคุณนะครับคุณพิมพาเธอเห็นรูปทองของผมก็เลยยอมเสี่ยงพวงมาลัยให้ด็อกเตอร์หนุ่มกล่าวแก้อย่างนั้น ห, หรอกลือ โยมพิมพาเห็นรูปทองของเพื่อนอาตมารึถามยิ้มยิ้มถ้าจะให้ดิฉันพูดตรงๆก็คงต้องกราบเรียนว่าดิฉันไม่เคยเห็นค่ะยังไม่เคยเห็นสังทองเห็นแต่เจ้าเงาะแต่ดิฉันไม่ได้เดือดร้อนใจแต่ประการใด แม้จะถูกญาติพี่น้องค้อนแคะดิฉันก็ไม่ถือสาดิฉันคิดว่าคนรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีก็ยังประเสริฐกว่าคนหน้าตาดีแต่ใจตรงข้ามดิฉันเรียนตามตรงนะคะว่าที่เลือกแต่งงานกับคุณกฤตเพราะดิฉันคิดว่าเขาจะต้องไม่นอกใจดิฉันเพราะหน้าตาเขาคงไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดจะแย่งไปจากดิฉัน ถ้าเลือกแต่งงานกับคนหล่อๆดิฉันกลัวถูกแย่งค่ะคงทนไม่ได้ถ้าต้องเป็นเช่นนั้นสตรีวัยใกล้ส0สบอกความในใจแม้ดีจริงๆโยมด็อเตอร์โชคดีที่ได้สีภรยาเช่นโยมพิมพาพูดถึงเรื่องนี้ทำให้อัตมานึกถึงภรยาของเพื่อนสองคนอยากฟังไหมอัตมาจะเล่าให้ฟังอยากครับ อยากค่ะสองสามีภรยาตอบพร้อมกันโยมด็ตอร์จำเพื่อนที่ชื่อวันชัยกับมิ่งเมืองได้ไหมที่เรียนมาด้วยกันตอนอยู่มัธยมสามนะ่ะจําได้ครับเจ้าวันชัยรูปร่างอ้วนล่ำผิวสองสีส่วนเจ้ามิ่งเมืองรูปร่างผอมสูงแขนยาวคล้ายๆท่านดรกเตรกริดตอบนั่นแหละ อาตมากําลังจะเล่าเรื่องภรรยาของเพื่อนสองคนนี้ให้ฟังแม้เรียกภรรยาฟังดูเป็นทางการไปขออนุญาตเรียกเมีย ก, ก็แล้วกันนะวันชัยกับมิ่งเมืองเขาอยู่ที่ไหนครับทำงานอะไรคนอายุส1อถามถึงเพื่อนเก่าวันชัยเป็นผู้ช่วยนายสถานีรถไฟพิจิตรส่วนมิ่งเมืองเป็นประลัดอำเภออยู่พิษณุโลก ภิกษุวัยสามสิบตอบท่านเคยไปหาเขาไหมครับเคยสิก็กำลังจะเล่าอยู่นี่ไงใจเย็นๆอดใจไว้เดียวจะเล่าอะไรดีๆให้ฟังครั้นคนเป็นคฤหัสถ์ไม่ซักถามคนเป็นบรรพชิตจึงเล่าว่าอัตมาไม่อยากบวชเพราะเกลียดพระ พอโยมแม่ขอให้บวชก็เลยหนีไปหาเพื่อนสองคนนี้คิดว่าจะไปอยู่กับเพื่อนให้สบายอกสบายใจสักเดือนสองเดือนค่อยกลับบ้านทําไมท่านถึงเกลียดพระละคะนางพิมพ์พาถามไม่เกลียดได้อย่างไรเลยโยมอาตมาเกิบต้องตายเพราะพระแล้วท่านจึงเล่าเรื่องหลวงตาวัตโนดให้สองสามีภรยาฟังอย่างสรุปว่า ถ้าไม่ได้โยมหมั่นช่วยชีวิตเอาไว้อาตมาก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้พูดด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณของหมอจีนใจอารีผู้นั้นแต่อย่าลืมนะขอประทานโทษโบราณท่านสอนไว้ว่าเกลียดขี้ขี้ตามอาตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระตกลงว่าท่านไปหาเจ้าวันชัยกับเจ้ามิ่งเมืองเหรอครับ ถูกแล้วอาตมาออกจากบ้านใส่เสื้อเวสปอยกางเกงจากห้างไนติ้งเกลแต่ปะตรงขาเพราะถูกเจ้าโทนสุนัขของป้ากัดจนกางเกงขาดมันอาฆาตอาตมาเพราะเคยไปคว้างหัวมันไปอยู่บางกอกสี่ปีกลับมายังไม่ลืมกัดอาตมาจนได้ถ้าเล่าเรื่องเจ้าโทนเป็นของแถมแล้วจึงเล่าต่อ อาตมาก็แต่งให้หล่อตามความนิยมในสมัยนั้นน่ะมีผ้ข า, าขาวม้าคาดพุงใส่หมวกหนังแต่ขอโทษเธอขาดเป็นรูโว่เลยแล้วก็ใส่นาฬิกาไวเลอร์ที่โยแม่ซื้อให้ยี่ห้อดังเสด้วยคงแพงนะครับด็อกเตอร์กริอดพูดไม่ได้แต่มันไม่เดินหรอกนะจะเอาไปแก้ก็ไม่มีเงินโยแม่ไม่ให้ โยแม่บอกว่าจะไปก้งไปแก้ให้เสียงเงินทำไมไม่มีใครรู้หรอกก็จริงอย่างที่โยแม่ว่าแต่ไม่จริงสำหรับอาตมานนะใส่นาฬิกาเรือนนี้ก็ต้องคอยดูตะวันเมื่อใครก็ถามเวลาจะได้บอกเขาถูกอย่างเช่นเวลาดวงอาทิตย์ตรงศีษะก็บอกเข้าไปว่าเที่ยงเขาก็ว่านาฬิกาบอกเวลาเที่ยงสิบนาที อาตมาบอกของผมก็เท่ากันนั่นแหละพูดอย่างนี้ก็รอดตัวไปได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งคนเป็นพระเล่ายิ้มยิ้มเมื่อคนฟังไม่ซักถามจึงเล่าต่อสรุปก็คือมีเสื้อผ้าไปชุดเดียวแล้วก็พักเขาม้าคาดพุงอีกหนึ่งผืนแต่พอคนเขารู้ว่ากำลังเดินทางก็ต้องมีกระเป๋าเสื้อผ้าอาตมาก็ถือกระเป๋าเสื้อจันทบูนไปด้วยใบหนึ่ง ไปขึ้นรถไฟที่สถานีลบบุรีจะไปลงพิจิตก่อนแล้วก็ค่อยไปพิษณุโลกรถถึงพิจิตตเย็นๆ เ, เพื่อนเห็นดีใจกระโดดกอดเลยถามว่ามึงมายังไงเนี่ยพวกผู้ชายเขาพูดกูมึงกันนะโยมพิมพาท่านบอกภรรยาด็อกเตอร์กริกค่ะเป็นเรื่องปกติของผู้ชายนี่คะ่ะถูกแล้วถ้าไม่พูดอย่างนั้น เขาหาว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาละอัตมาจะเล่าต่อคือเพื่อนคนเนี้ชื่อวันชยัยเขาก็ดีอกดีใจที่อัตมาไปหาแล้วก็พาไปบ้านแต่ขอโทษทีเธอะเมียเขามองค้อนเลยคอนขวับคับตาเหลือกตาปลิ้นนี่คอนอย่างเนี้ยท่านทําท่าทางประกอบแล้วก็ยังผลให้สามีภรรยาหัวเราะคิกคกิด้วยความรู้สึกขำ อ้าวจริงๆนะเขาค้อนอย่างนี้จริงๆแหมเอาแต่ด่าเราและสามีเขาว่ายังไรคะนางพิมพาถามเขาไม่เห็นต่อหน้าผัวเขาก็ทำเป็นยิ้มแยม้มพอผัวเผลอก็ใช้ตาด่าเราแต่เพื่อนอาตมาดีมากเลยนะเขาก็ให้เมียหุงอาหารให้เรากินอ๋อ แม่คนนี้เขาชื่อบุญตารูปร่างอ้วนจำม่ำเลยโอ้โหอัตมาเงี้ยเจ็บจิตจิที่หัวใจถูกเขาเอาตาเอาจมูกดา่าเขาเห็นอัตมาแต่งตัวสมส่อคงกลัวจะมาขอเงินผัวเขามัง้งคนอย่างอัตมาไม่เคยคิดจะขอเงินใครเว้นไว้แต่โยมแม่กับโยมยายนอกนั้นไม่เคยรบกวนใคร น้อยรู้จักอัตมาน้อยไปซะแล้วแล้วท่านโกรธไหมครับดกรกริชถามตรงๆโกรธสิโกรธแทบจะกลั้นใจตายเลยทีเดียวก็ตอนนั้นยังไม่เดียวเรียนกรรมฐานยังกำหนดโกรธหนอไม่เป็นตอบยิ้มยิ้มแล้วท่านทานข้าวลงหรือคะภรรยาเพื่อนทำกิริยาอย่างนั้นน่ะ ท่านทานลงไหมคะภรรยาดรกเตอร์กริถามก็ไม่ลงนะสิอาตมาก็คิดว่าเออยู่ไม่ได้เสีแล้วมาเจอนางยักษ์เข้าเจ้าวันชัยมันมีเมียยักษ์อัตมาเลยออกอุบายถามว่าเฮ้ยใช่มีรถที่จะไปพิษณุโลกไหมค่าๆอย่างเนี้ยยังพอมีรถไปพิษณุโลกไหมเขาก็ตอบว่ามีขบวนสุดท้าย มาจากบางกอกถึงที่นี่เราราวทุ่มแล้วจะถึงพิษณุโลกประมาณสามทุ่มอาตมาก็เลยไปหาเจ้ามิ่งเมืองไปวันนี้เลยพออาตมาพูดอย่างนี้ยายบุญตายิ้มเลยยิ้มทั้งปากทั้งตาคงดีใจที่อาตมาจะได้ไปพ้นหูพ้นตายายคนนี้ร้ายกาจเหลือเกินแล้วเะจ้าวันชัยว่าอย่างไรบ้างครับ บุรุษวัยสามสิบเอ็ดถามเขาก็ไม่อยากให้ไปบอกอยู่คุยสักสามสี่คืนค่อยไปอัตมาก็อ้างว่ามีธุระด่วนต้องไปคืนนี้ให้ได้พอรู้ว่าอัตมาจะไปยายบุญตาก็ยกสำรับไปเก็บยกไม่ยกเปล่านะแถม เดินลงส้นตึงๆจนบ้านสะเทือนความที่แกอ้วนแกเลยเดินก้นบิดไปบิดมาอาตมาก็นึกเอาอีกแล้วเย่คนนี้เอาตูดด่ากูอีกแล้วขอประธานโทษนะโยมพิมพาอย่าหาว่าอาตมาพูดไม่สุภาพตอนนั้นอาตมาคิดอย่างนี้จริงๆดิฉันไม่เห็นหรอกคะ่ะถ้าดิฉันเห็นท่านคงคิดอย่างท่านเหมือนกัน ตกลงว่าท่านไม่ได้ค้างบ้านนั้นหรอคะค้างไม่ได้สิอาตมาก็รีบเพนพอรถมาเจวันชัยก็เอาตั๋วมาให้ใบนึงอาตมาบอกลายายบุญตาแม่ยายนี่แกเก่งยิ้มได้ทั้งตาทั้งปากเรากับว่าดีใจเหลือเกินที่อาตมาจะไปเสียได้อาตมาก็ตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะไม่ขอมาเหยียบบ้านนี้อีก แล้วท่านพบเจ้ามิ่งเมืองไหมครับคนเป็นด็อกเตอร์อยากรู้พบสิอาตมาไปถึงสามทุ่มลงจากรถไฟแล้วก็เรียกสามลอ้อบอกไปส่งที่บ้านปลัดมิ่งเมืองด้วยสามลอ้อก็พาไปส่งพอจะจ่ายค่าสามล้อตายจริงกระเป๋าสตางค์หายนึกโกรธเยบุญตาว่าทำให้เราโชคร้ายเงินทองหายหมด เจ้ามิ่งเมืองก็เลยต้องจ่ายค่าสามล้อให้เท่าไรคะคือดิฉันอยากทราบว่าตอนนั้นค่าสามล้อแพงหรือเปล่าภรรยาด็อเตอร์กริตอยากรู้สิบห้าสตางค์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงสองบาทพระเจริญตอบแล้วเจ้ามิ่งเมืองดีใจไหมครับที่ท่านมหาดีใจสิเขากำลังจะไปอยู่เวน พออาตมาไปก็สั่งเมียชื่อคุณนายแดงชื่อจริงชื่อพรทิพย์หาข้าวปลาอาหารให้อาตมาทานคุณนายแดงแกผิดกวดอวุยบุญตาหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขายิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาพอยกสำรับอาตมาก็เขินทานไม่ลงทั้งที่หิวแสนหิวคุณนายแดงคงรู้ทันเลยบอก คุณพี่ทานตามสบายดิฉันขอเตรียมของหวานในครัวก่อนพอเข้าไปรับตาอัตมาก็กินเอากินเอาเพราะหิวมากสักครู่เขาก็ยกไข่หวานมาให้แล้วก็ลุกออกไปอัตมาก็ว่าซะอิ่มแปรทั้งข้าวทั้งหวานพออัตมาอิ่มข้าวคุณนายแดงก็ไปจัดการปูที่หลับที่นอนให้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 สรุปใจความก็คืออาตมาอยู่บ้านเจ้ามิ่งเมืองเดือนหนึ่งเต็มๆช่วยเขาทำงานตัวเป็นเกลียวพ่อแม่คุณนายแดงเขาทำขี้ใต้าขายอาตมาช่วยทำทุกวันในที่สุดเขาคงสมเพศอาตมาที่มีเสื้อผ้าชุดเดียวเลยแอบไปซื้อมาให้ใหม่สองชุดแล้วก็เอาชุดเก่าโยนทิ้งน้ำไปพออยู่บ้านนี้ครบเดือน อาตมาก็ลากลับสิงบุรีโย่แม่ก็ขอร้องให้บวชก็เลยบวชมาจนทุกวันนี้เรื่องที่เล่าให้ฟังก็เพื่อจะฝากข้อคิดว่าแม่บ้านสำคัญที่สุดถ้าแม่บ้านดีสามีจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเจ้ามิ่งเมืองตอนนี้เป็นนายอำเภอแล้วในอนาคตเขาต้องได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแน่นอน เพราะได้เมียดีแล้วเจ้าวันชัยล่ะครับด็อกเตอร์กริกถามก็ยังเป็นผู้ช่วยสถานีอยู่เขาเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าพออาตมากลับมาแล้วรุ่งอีกปียายบุญตาก็ตายก่อนตายอยากจะมาขอเอาหัวิ ก, กรรมอาตมาถามผัวเขาว่าเพื่อนคุณที่เคยมาบ้านเราเมื่อปีที่แล้วนะ่ะอยู่ไหน พเขาก็บอกตอนนี้บวชเป็นพระเขาก็อยากจะมาขออโหสิ ก, กรรมแต่ยังไม่ทันได้มาก็ตายไปเสียก่อนแล้วน่าเศร้านะคะแม้ที่ฉันฟังแล้วใจคอไม่ค่อยดีเลยท่านคะพูดถึงเมียดีพี่สาวที่ฉันก็เป็นเมียที่ดีเพียบพร้อมทุกอย่างสวยก็สวยแต่ทำไมพี่เคยถึงนอกใจแอบไปมีแม่บ้าลูกติดมาเป็นเมียน้อย เป็นผู้หญิงที่ไม่มีทั้งการศึกษาไม่มีชาติสกุลจนก็โจนจนแก่ก็แก่หน้าดำแถมยังเป็นฝ้ามีลูกติดอายุสิบห้าแต่ทำไมพี่เขยดิฉันไปหลงจนไม่กลับมาหาลูกเมียพ่อแม่ดิฉันโกรธมากเพราะพี่เขยไม่เอาใจใส่ลูกตัวเองแต่ไปเอาใจใส่ลูกแม่ไม้คนนั้น มีคนเขาบอกว่าพี่เขยถูกสเสน่ห์ผู้หญิงเขาคงเอาของสกปรกให้กินถึงได้หลงมืดบอดถึงป่านนั้นหน้าตาดำคล้ำเศร้าหมองหมดราศีเลยค่ะเขาเป็นประหลัดอำเภอจนจะได้ในอำเภออยู่แล้วแต่พอประพฤติชั่วก็หมดเลยหน้าที่การงานพังพินาศถูกสอบสวนจนเกือบถูกออกจากราชการดิฉันเองก็แค้นแทนพี่สาว แต่เดี๋นี้หายแค้นแล้วค่ะพอเห็นเขาประสบเคราะห์กรรมดิฉันก็อโหสิให้เขาประสบเคราะห์กรรมอะไรล่ะโยมถูกชายชู้ของผู้หญิงคนนั้นยิงค่ะคือผู้หญิงเขาเจ้าชู้มีผู้ชายมาติดพันมากทั้งที่สวยก็ไม่สวยชายชู้ก็ยิงพี่เขยตายแต่กรรมเขาคงหนักเพราะเขาไม่ตาย ลูกปืนไฟฟังอยู่ที่ไขสันหลังทำให้เป็นอมพาสผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมเลี้ยงคงเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาแล้วเลยจับใส่เรือพายมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านพี่สาวดิฉันพี่เลยต้องจำใจเก็บมาเลี้ยงแต่ก็ไม่ได้ดูแลดิบดีอะไรเพราะแค้นใจว่าตอนดีๆไปหลงรักคนอื่นพอจะตาย กลับมาอยู่กับเขาตอนนี้พี่เขยก็นอนใช้กรรมอยู่ค่ะและดูท่าทางจะตายยากผู้ชายเจ้าชู้ดิฉันอยากให้พบกับจุดจบแบบนี้ทุกคนดิฉันคิดอย่างนี้บาปไหมคะบาปซิโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยใครเขาทากรรมชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขาอัตมาจา่าให้คตินะโปรดจำไว้ว่าอย่าเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ตัว รู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมองมันวุ่นวายตัวเองปเปล่าโยมจำไว้นะใครครับทำชั่วเขาก็ได้รับวิบากแห่งกรรมชั่วนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปแช่ ง, ขงเขาให้คิดซื้อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมนะค่ะดิฉันพยายามทำตามที่ท่านสอนและดิฉันก็มั่นใจว่าคุณกริคงจะไม่ทำอย่างพี่เคยดิฉันทา ใช่ไหมคะหล่อนถามสามีแน่นอนเพราะผมไม่ต้องการทำบาปผิดศีลข้อกาเมบาปมากใช่ไหมครับท่านตามคำพีท่านว่าต้องไปตกนรกปีนต้นยิ้วห้าร้อยชาติแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแพะเป็นกระเทยเป็นหญิงแพศยายากที่จะมาเกิดเป็นผู้ชายอีกงั้นน่าสงสารคนที่ผิดศีลข้อนี้นะครับ เขาไม่รู้เลยว่าแค่ความสุขเพียงชั่วเล่นต้องทุกข์แสนสาหัสผมกลัวจริงๆไม่คิดทำชั่วเลยชาติหน้าผมขอเกิดเป็นผู้ชายอีกด็อกเตอร์วัยส1อดบอกเพื่อนเก่า